หลวงปู่หลุยส์ยกพญานาค โดยมีตัวเมืองเลยอยู่ฟากฝั่งตรงกันข้าม เมื่อปีพ.ศ. 2499 หลวงปู่หลุยท่านจําพรรษา ไม่มีการตัดไม้ทำลาย 3 กิโลเมตรและทาง ซ้ำยังมีพงรกยังมีพงขวางทางไปตลอดแต่เมื่อขึ้นไปถึงถ้ำแล้วกอน้ํากอหวายบรรยากาศสงัดเงียบ เป็นที่พอใจของหลวงปู่ ก็คืนแรกคลุมจิตรวมนิ่งสนิทอย่างรวดเร็วแต่แล้วทั่วนั่นคืออณู ขนยาวรุงรังยื่นลืมตาก็มองเห็นมานอก แล้วหลวงปู่หลุยส์ก็กล่าวว่า หลวงปู่ที่ท่านต้องยอมรับว่ามีอยู่จริง นั่นคือ... ได้เผชิญกับ เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิมาแต่เดิม ทันตั้งสติไม่ทันทําให้ตกใจ อภุทโธเป่าเข้าไปขดลำตัว พร้อมกันยอมรับนับถือท่านก็ได้แผ่ และก็ได้พญานาคเป็นผู้ช่วย จิตจนรวมเป็นสมาธิได้อย่างรวดเร็วแน่นอยู่กับการภาวนาจิตไม่คุ้นเคยในสถานเกรงกลัวในสถานเสมอเป็น นิมิตไม่รายเมตตาจิตทันวาคม 2499 ธรรมตายที่สงัดดีได้พิจารณาตาย คือตายด้วยหมูไม่ดีตายพิจารณาแห่งเดียวรู้ทั่วภาวนาได้ทะลุทั้งตัวมิเทพอามนุษย์นาคในที่นี้ชอบใจมากที่นี้ จิตสูงมีอำนาจมากความรู้เลื่อนจากฐานะเดิมสู่ที่สูงมากประวัติถึงกึ่งพุทธการเสมอมากความรู้เลื่อนจากฐานะๆ นิมิตความฝันเป็นมงคล 2504 จอมพรรษาอยู่ที่ถ้ำแก่งยาว ทำบุญภูแก่งยาวไม่ใหญ่โต หากเห็นก้อนหินเหมาะเห็นรกมาใหญ่ วันหนึ่งหลวงปู่หลุยออกจากถ้ําไป ท่านแต่เมื่อพิจารณาดูอย่างละเอียดแล้วจะตั้งแคร่ปิดปากก่อนหน้าที่ท่านจะกลับมาในถ้ำๆ งูใหญ่คล้องเลื้อยผ่านปากถ้ำ ขณะแทนที่งูใหญ่จะเคลื่อนย้ายออกไปเป็นเวลาพลบค่ําแล้วแทนที่ ในขณะที่ในตาของความใต้ก็วางชีวิตขัดขวางกันมีแต่ หลวงปู่หลุยกลางมุ้งนอนกลดบนแคร่ของ ก็ยอมได้รับถึง 3 วัน 3 คืน 3 งูเวลาเลื้อยออกไปท่านไม่เห็นจึงได้จากไปใน แลแสดงว่าไปสุดไกลสุดสาย ขณะที่งูใหญ่เข้ามานอน มีผู้ถามหลวงปู่หลุยส์ว่าชะรอย หากท่านยิ้มยิ้มเท่านั้น